แต่ถ้าหากว่าไม่ไปประทุสร้ายจิตใจนะนะไม่ประทุสร้ายไม่กักกักขังค่มคืนคมเหงบุตรภรยาของผู้อื่นก็ปัญหาพวกนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนก็อว่าออยู่ในแว่นแควนนี้ดีเนี่ยนะมีแต่ความปลอดภยัยนะลูกหลานก็ปลอดภัยกันเพราะว่าอย่างว่านะทําทุกอย่างคนที่ ทำมาหาเลี้ยงชีพทุกวันไม่ใช่น้อยทำทุกอย่างก็เพื่อลูกเพื่อหลานใช่ไหแทีนี้ถ้าหาว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยมีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจเขาจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องให้ความสำคัญเรียกว่าให้ความสำคัญกับบุคคลที่เขารักเช่นลูกหลานของเขาเป็นต้นนั่นเองส่วนข้อที่หกข้อที่หกนี้เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ที่น่าเเจติยสถานเนี่ยนะสถานที่เคารพเช่นกลุ่มอนุสาวรีย์อะไรเป็นต้น ดูก่อนอานอนท์เธอได้ยินมาว่าอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังสักการะเคารพนับถือบูชาเจดียเจ้าวัดชีทั้งหลายแห่งเมืองวัดชีทั้งหลายเนี่ยทั้งภายในภายนอกของเจ้าวัดชีทั้งหลายยังไม่ลดพลีกรรมประกอบด้วยธรรมที่เคยถวายแล้วทาแล้วแก่เจดีย์วัดชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกเหล่านั้นูอยู่หรือหมายคือว่ายังมีการทาพิธีบวงสรวงบูชาเจดีย์อยู่หรือไม่เห็น นนะเช่นว่าเช่นอนุสาวรีเนี่ยนะมีพวกอนุสาวรีทั้งหลายพวกคล้ายๆสัคล้ายๆพวกศาลเจ้าศาลเจ้ า, า, จาหลักเมืองอะไรทั้งหลายแหละที่เขาจะต้องมีพิธีเนี่ยนะไปทีบวงสวงพิธีอะไรเนี่ยพิธีเหล่านี้ยังมีอยู่ไหม พระนนก็บอกว่าเจ้าวัดชีทั้งหลายยังสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีวัชชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกของเจ้าวัดชีทั้งหลายและยังไม่มีลดหย่อนพลีประกอบด้วยธรรมที่เคยถวายแลยเหีว้วเคยทําแล้วแก่เจดีวัดชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกพระองค์ก็รับรองว่าถ้ายังทําอยู่อย่างนี้ตลอดการเพียงไรดูก่อนอนนท์เจ้าวัดชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้อย่าเลยนะพระพุทธเจ้าสอนให้เขาบูงสูงเหมือนกันนะ คล้ายๆว่าให้เขานับถือให้บูชาเจดีแต่ไม่ได้แปลว่าให้ไปถึงสารณะนะไม่ได้แปลว่าไปนับถือถึงพวกเจดีลุกคเจดีอะไรสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสารณะแต่ก็ให้เคารพให้นับถือคําว่านับถือก็เหมือนกับว่าเราสมมติถ้าเรานับถือว่าคนนี้เป็นลุงคนนี้เป็นป้าคนนั้นเป็นอาแล้วก็มีของฝากของอะไรไปบ้างสารณะเราเสื่อมไหม มันคนละประเด็นกันเนี่ยนะคนละประเดน็นกับเรื่องสารณะแต่ว่าจะต้องรู้ว่าเพราะว่าสถานที่เหล่านี้มีเทพพ ย, ยดามีอมนุษย์อยู่เนี่ยนะพวกนี้เป็นผลได้ผลเสียต่อบ้านต่อเมืองเหมือนกันอัตกะทาอธิบายว่า เ, าเมื่อเจ้าวัดชีทั้งหลายเนี่ยเกิดไปลดพลีกรรมที่โดยชอบทำเสียแก่เหล่าเทพพ ย, ยดามิเทพพ ย, ยดาเหล่านั้นก็ไม่อารักขา เ, นะเทวดาก็จะไม่ค่อยดูแลเขาเรียกว่าผีบ้านไม่ปกป้อง ผีปา่าเขเข้ามากวนเหมือนกันนะนะแบบเพราะฉะนั้นพวกอารักะเทวดาเหล่านี้เนี่ยนะไม่สามารถที่จะบำบัดความทุกข์ความทุกข์เหล่าใดที่ยังไม่เกิดเขาก็จะไม่ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นก็กาเริบได้เมื่อมีสงครามเทวดาไม่เข้าข้างก็ยากที่จะชนะเหมือนกันนะนัต้อง คือของเรานี่อย่าใช้แต่ตาเนื้อเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะเพราะจะน้องโลกนี้มันไม่ได้มีแค่สิ่งที่ตาเห็นถ้าทุกอย่างมีแค่สิ่งที่ตาเห็นมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของซับซ้อนแต่มันมีอะไรที่เหนือเกินที่ใช้จกักขูวิญญาณมองเห็นบางอย่างต้องใช้โสตะวิญญาณบางอย่างต้องใช้มโนวิญญาณบางอย่างมันอยู่คนละพคนละชาติเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทในเหล่าเทพพญดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเคยบูชาเคยบวงสรวงที่โดยธรรมนะ ทำโดยทำไม่ใช่ว่าเอาคนไปตัดคอบวงสวงนะไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่หมายก็ว่ากระทําโดยชอบโดยถูกต้องและโดยทำเพราะฉะนั้นเทวดาเหล่านั้นก็จะทําการจัดอารักขาเอาไว้อย่างดีทําสุขที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่มีขึ้นเนี่ยนะท่านก็ช่วยเหลือท่านก็ช่วยเหลือได้แล้วก็ช่วยทําให้ถ้ามีสงครามก็มีทําให้คิดวิธีแก้ปัญหาได้ คือคือเทวดาเนี่ยนะอยากคิดนะว่าเขาเนี่ยแฝงมาทางความคิดไม่ได้เขาแฝงมาทางความคิดได้แม้กระทั่งในในเนี่ยที่พระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกเลยเนี่ยนะที่จริงอะ่ะเทวดานะช่วยแฝงความคิดให้พระมเนี่ยช่วยแฝงความคิดเออนี่เธอน่าจะคิดแบบนี้นะแต่ว่าแทรกมาทําให้เหมือนคิดได้เองนะเหมือนคิดได้เองบางคนที่คิดอะไรได้มนะันจะคิดเองหรอก แต่ก็มีบางเขาเรียกว่าเทพพาเจ้าเนี่ยนะช่วยแฝงมาทางความคิดบางอย่างได้นะทานก็มีความสำคัญว่าถ้าหากว่าเราไม่เคารพไม่นับถือบูชาเหล่าเทพพิดาทั้งหลายถ้าเทพยาดาไม่รักษาเนี่ยเดือดร้อเหมือนกันนะคนที่เทวดาไม่รักษาเนี่ยปัญหาที่ยังไม่มีก็มีขึ้นไอ้ปัญหาที่มีอยู่แล้วมันก็มีแต่บานแก้ไขไม่เสร็จแต่เชื่อไหมถ้าคนที่เทวดารักษาเนี่ยนะอุยทอะไรมันถูกไปหมดอ่ะ อย่างที่บางคนนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่น่าเป็นไปได้แลยมันทํามาอย่างนี้ได้ยังไงไม่น่าเชื่อ ย, ยังกระพีจับทํางนั้นแหละเพราะงั้นเดี๋ยวสูสตรต่อ ต, อตอไปนี่เขาจะมีแม้กระทั่งเรื่องที่ดินที่ทํากินที่อะไรเนี่ยก็ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเทวดาเนี่ยนะเดี๋ยวต่อต่อไปอีกในเรื่องเนี่ยในมหาปริญนิพพานสูตรนี่แหละเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่ายัางเคารพนับถือบูชาเทวดาอยู่ไหมนะ เสร็จแล้วข้อที่สุดท้ายข้อเจบอกว่าดูก่อนอนนุนเธอได้ยินมาว่าอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังจัดอารักขาป้องกันและคุ้มครองประกอบด้วยธรรมด้วยดีในผ้ า, าหันทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าทําอย่างไรผ้ า, าหันทั้งหลายที่ยังไม่มาเพิ่งมาสู่แว่นแคว้นและผ้ า, าหันทั้งหลายที่มาในแคว้นแคว้นนี้แล้วขอให้อยู่สบายในแว่นแคว้นนี้ดังนี้หรือคือท่านเหล่านั้นเนี่ยยังดูแลรักษาสมณพราหมณ์อยู่ไหม มีใจหวังให้สมณะพราหมณ์ที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วปรารถนาจะให้ท่านเหล่านั้นอยู่เป็นสุขอยู่สบายไหมพระนน์ก็บอกว่าข้าพระองค์ได้ยินมาว่าเจ้าวัดชีทั้งหลายยังจัดอารักขาป้องกันและคุ้มครองประกอบด้วยธรรมด้วยดีในผ้าหันทั้งหลายด้วยตั้งใจไว้ว่าทำอย่างไรผ้าหันทั้งหลายที่ยังไม่มาเพิ่งมาสู่แคว้นและท่าหันที่มาแล้ว ขอให้อยู่สบายในแคว้นวัชีดังนี้พระเจ้าค่าบอกอานอนท์ถ้ายังปฏิบัติอยู่อย่างนี้ตลอดกาลเพียงใดดูก่อนอานอนท์เจ้าวัชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวฮะความเสื่อมไม่ได้ที่บอกว่าปกปก้องคุ้มครองะ้าหันทั้งหลายเนี่ยนะก็ไม่ใช่หมายคำว่าแม้เอากองทัพมาคุ้มครองมารักษาเนี่ยนะเป็นต้นสร้าง แบบนั้นให้ไม่ใช่คําว่าปกป้องคุ้มครองรักษาสมณะเนี่ยนะหรือผ้าหันทั้งหลายคือหนึ่งอย่าไปตัดต้นไม้ใกล้ที่พักท่านสองเวลาท่านอยู่ณที่ไหนบริเวณ น, นั้นอย่าไปฆ่าเนื้อฆ่านกแถวนั้นท่านอาบน้ําใช้สระน้ําบอ่อน้ําตรงไหนอย่าไปหาปลาฆ่าปลาฆ่าอะไรแถวนั้นเพราะฉะนั้นจัดให้ท่านเนี่ยนะไม่ฆ่านกฆ่าเนื้อไม่ไปตัดต้นไม้ใกล้บริเวณใกล้ที่อยู่อะไรของท่านอะ่ะก็แปลงง่ายๆว่าจะไปยุ่งกับท่านเหมือนัันเถอะ อย่าไปยุ่งในลักษณะที่เรียกว่าไปไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ท่านอันนี้เรียอันนี้แหละที่เรียกว่าทำมิการักขาวรณะคุติแปลว่าการปกปักรักษาคุ้มครองโดยธรรมนะนะไม่ไปตัดต้นไม้ใกล้บริเวณที่อยู่ของท่านนะพวกเนื้อนกหมู่ปลาเป็นต้นเนี่ยก็อย่าไปฆ่าอย่าไปอะไรเพราะบางทีเนี่ยบางทีพวกนกพวกเนื้อก็คือเป็นท่านนั่นแหละเลี้ยงให้หรือพวกปลาพวกอะไรเศษอาหารท่านเอาไปเลี้ยงใช่ไหมแล้วไปฆ่าปลาเหล่านั้นแล้วท่านจะคิดยังไง นี่ขนาดปลาใกล้ๆเรายังไม่ละยังไม่เว้นเลยจะไปสอนอะไรเนาะเนี่ยนะก็ก็อาจจะเป็นจริงอ่ะนะอย่างมีบางแห่งบางแห่งเนี่ยนะพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่อยู่เนี่ยเหตุผลก็คือว่าชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยหาปลาเฉพาะในวัดเนี่ยนะหาปลาในวัดพระที่ดีๆก็ไม่ยอมอยู่เมื่อพระไม่ดีอยู่เอ่อพระดีไม่อยู่พระไม่ดีก็มาอยู่เมื่อพระไม่ดีมามาอยู่เข้าก็ทำยังไงอ่ะอะไ เมื่อชาวบ้านก็หาปลาแถวนั้นพระดีท่านก็หนีไปท่านก็ไม่อยู่ท่านก็ไปหาที่ส ป, ปายะของท่านพระไม่ดีก็มาอยู่พระไม่ดีมาอยู่ท่านไงก็ซื้อเหล้ามาก็แกล้มเหล้าแล้วกออ็ฝนตกก็ลงหาปลาในบ่อนั้นก็ทั้งพระทั้งโยมพอกันหมดแล้คับ น, นี่ยอันนี้เรื่องจริงนะถ้าไม่เห็นมากระตาก็ไม่เล่าให้ฟังแต่ท่านทําให้รู้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าชาวบ้านไม่ช่วยปกปักคุ้มครองพร ะ, ะที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยธรรม ท่านก็จะจากไปเมื่อท่านจากไปไอ้พวกที่ไม่ประพฤติธรรมก็ถือโอกาสเข้ามาเพราะนั้นก็เลยทาดเดียวกันใกล้ ก, ลกันนะครั้นี้ก็เรียกว่าเมาแล้วทะเลาะกันเองกันแหละโยมไปซื้อเหล้ามาให้พระดื่มพระก็ดื่มไปแล้วก็ทะเลาะกันที่หัวกันอย่ตรงนั้นเลยเพราะนั้นก็จะไปว่าใครเนี่ยนะมันก็พอกันหมดอะครั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีการตกป้องคุ้มครองรักษากาันโดยธรรมเพราะฉะนั้นอะไรเป็นอดเป็นธรรมก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป ท่านบอกว่าเจ้าวัดชีเหล่าใดไม่ปรารถนาการมาของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาแปลว่าพระที่ดีพี่มีคุณธรรมเนี่ยนะเจ้าวัดชีเหล่านั้นก็แปลว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเพราะลักษณะของผู้มีศรัทธาเนี่ยปรารถนาให้ผู้มีศีลที่ยังไม่มาก็ขอให้มาผู้ที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นต้นนี่ลักษณะของผู้มีศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ต้องการให้ผู้มีคุณธรรมทั้งหลายไม่ต้องการให้ผู้มีศีลพระอรหันต์เป็นต้นมา ตัวเองก็ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสถึงบรรพชิตนักบวชสมณะพราหมณ์ที่มีศีลมาถึงแล้วก็ไม่ไปไม่ไปรับท่านไม่ไปเยี่ยมไม่ทําการปฏิสันทานไม่สอบถามปัญหาไม่ฟังธรรมไม่ให้ทานท่านอนุโมทนาก็ไม่สนใจไม่อยากฟังไม่จัดที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเสียงติเตียนเจ้าวัดชีเหล่านั้นก็กระชอนไปโอ้ยเจ้าวัดชีนั้นไม่เลื่อมใสเลยเน่ยนะบรรพชิตที่มาถึงก็ยังไม่ต้อนรับ ที่อยู่อยู่แล้วก็แทบจะเรียกว่าอยู่ยากบหมือนันบรรพชิตเหล่าอื่นที่ได้ฟังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมืองนี้เป็นเมืองผ่านห่างๆได้เป็นดีไม่ต้องแวะไปใกล้บริเวณนั้นหรอกเนี่ยนะแล้วก็เป็นนะอย่างมีหมู่บ้านหลายๆแห่งในยุคเนี้พระพิสูจน์ที่พระพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะที่ท่านรักทำมั่ววินยัยเนี่ยท่านจะเดินอ้อมไปไกลเลยนะท่านไม่ต้องการพบไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการทราบข่าวทั้งนั้นอ่ะถามเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีศรัทธาเนี่ยนะ ว่าเขาไม่มีศรัทธาไปแล้วเนี่ยนะมันก็เปื้อนบาปไปทางนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นท่านก็รักดีเนี่ยนะละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอย่าลืมว่าบัณฑิตทั้งหลายไม่ยอมคบคนพาณเด็์ขาดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนพาณเนี่ยนะ ถ, ถึงรู้ตัวว่าเป็นพาณแต่ไม่เอื้อต่อบัณฑิตบัณฑิตทั้งหลายที่ไหนเขาจับสงเคราะห์เพราะฉะนั้นพระอรหันที่ยังไม่มาท่านก็ไม่มาด้วยประการชนี้หรือเมื่อที่อยู่ผาสุข สำหรับราตุหันที่มาแล้วไม่มีหมายเขาว่าอยู่แล้วก็อยู่เดือดร้อนนัเกินธาหันที่ไม่รู้ถึงก็คิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดจะมาอยู่แต่นี่ใครเล่าจากอยู่ได้บางคนเนี่ยมาอยู่แล้วอยู่มีแต่ความเดือดร้อนใช่ไหมก็เลยบอกแหมเจ้าพวกเจ้าเหล่านี้ไม่ใยดีไม่สนใจเลยก็จะออกไปเพราะฉะนั้นราตุหันที่ยังไม่มาก็ไม่มาที่มาแล้วก็อยู่ลำบากเพราะถิ่นนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของ บันปชิดเพราะฉะนั้นถ้าบริเวณใดไม่มีบรรปะชิตไม่หมุบผู้มีศีล ม, มีธรรมเป็นต้นการทําบุญอุทิศนกุศลให้เทวดามีไหมไม่มีจากนั้นพวกอารักขาเทวดาก็จะไม่มีเทวดาที่เธอเทวดาที่ป ก, กปัก ร, รักษาปกป้องคุ้มครองก็จะไม่มีแล้วพวกอมนุษย์ทั้งหลายก็ได้โอกาสเทวดากับอมนุษย์เนี่ยต่างกันยังไงพวกกลุ่มอมนุษย์ก็คือเน้นพิเศษ i. พวกไม่มีคุณธรรมเลย พวกที่ไม่มีฮีเรโอต ป, ปะเลยเนี่ยนะก็จะเป็นเรียกว่าพวกผีพวกสางทั้งหลายพวกเปรตอสุรกายทั้งหลายก็ถือได้ช่องได้โอกาสเพราะอามนุษย์เหล่านั้นก็เน่นหนาขึ้นนะความป่วยไข้ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นโรคที่ไม่มีก็มีขึ้นเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายที่ควรจะได้ก็ไม่มีก็อดการให้ทานการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมเป็นต้นก็ ไม่มีแต่ถ้าหากว่ า, ามีการปกป้องคุ้มครองผู้มีศีลโดยทําไม่ตัดต้นไม้บริเวณแถวที่ท่านอยู่ให้ท่านอยู่การสบายไม่ไปล่านกฆ่านกฆ่าเนื้อไม่ไปฆ่าปลาบริเวณนั้นจัด ก, การคร่าไม่ให้อา่าหมายคาว่าเป็นสถานที่ที่ท่านให้ท่านอยู่ได้อย่างสปายะในการเจริญสมณธรรมเป็นผู้ที่มีศรัทธาถวายปัจจัยสี่ แก่ท่านเหล่านั้นมีการไปต้อนรับการเชื่อเชิญมีการฟังธรรมเป็นต้นนะนะประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่ท่านแนะนําเพราะฉะนั้นก็จะมีการอุทิศบุญกุศลเป็นต้นให้แก่เหล่าเทพพยาดาทั้งหลายเทพยาดาทั้งหลายก็จะช่วยกันปกปักปกป้องคุ้มครองและรักษาเมื่อมีการปกป้องคุ้มครองรักษาแล้วก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็นมันข้อสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่อง ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งในหกข้อในหกข้อที่กล่าวมาแล้วเน้นพิเศษคือเน้นประโยชน์โลกนี้ข้อสุดท้ายข้อเจ็ดก็คือจะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นฐานแห่งประโยชน์โลกหน้าและเป็นฐานแห่งประโยชน์อย่างยิ่งในทีนี้พอพระพุทธเจ้าแสดงอับริหานิยธรรมของเจ้าวัชีทั้งเจ็ดจบเนี่ยนะ วัสการะพราม์พูดถึงวัสการะพราม์บ้างบอกว่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับวัสการะพรามณมาหาอมาตะของแคว้นมคดว่าดูก่อนท่านพราหมณ์สมัยหนึ่งตถาคตอยู่ณวิหาราวิหารสารันท ะ, ทะเจดีในนครเวสาลีณนะที่นั้นตถาคตได้แสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้แก่เจ้าวัดชีทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้ า, จาสอน หลักการบริหารเพื่อให้ได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งแก่เจ้าวัดชีทั้งหลายดูก่อนพรามก็อปปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ยังจัดตั้งดีจัดตั้งอยู่ในเจ้าวัดชีทั้งหลายและเจ้าวัดชีทั้งหลายยังจักเห็นดีร่วมกันในกาในอปปริหานิยธรรมเจ็ประการเหล่านี้ตลอดการเพียงไรดูกนพราม เจ้าวัดชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ก็มีแต่เจริญอย่างเดียวอย่างนั้นนะครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ววัสการพรามมหาอมาตะของแควนมาคดได้กราบทูลคานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเจ้าวัดชีทั้งหลายประกอบด้วยอปริหานิยธรรม แม้เพียงข้อหนึ่งข้อเดียวก็ผึงหวังความเจริญได้โดยแท้เจ็ดข้อนี้ดีหมดเลยถ้าปฏิบัติได้ไมมแต่ข้อเดียวก็หาความเสื่อมไม่ได้เจริญอย่างเดียวแต่ว่าจะกล่าวอะไรถึงเจ้าวัดชีทั้งหลายประกอบด้วยอปริหานิยธรรมเจประการข้าแต่พระโคดมผู้เจริญและพระเจ้าอาชาติศตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตพระโอรสของพระนางเวเทหิตไม่ควรทํากับเจ้าวัดชีทั้งหลายด้วยการรบ รบยังไงก็รบไม่ชนะถ้าปฏิบัติอยู่ตามนี้จริงนอกจากอะไรวิธีการปลองดองกันซะหมายคถึงว่าเป็นพันธมิตรกันซะเนี่ยนะอย่ามาเป็นป่ายตรงกันข้ามกันเลยนะเรียกว่าส่งอะไรส่งของขวัญส่งอะไรผูกมิดกันไปเถอะไม่ต้องไปทําอะไรสักอย่างอีกวิธีหนึ่งมีอีกวิธีหนึ่งคิดได้ทําให้มันแตกแยกกันซะเนี่ยนะไปยุแยงตะแคงรั่วให้มันปั่นปนหลายๆเสียงแล้วก็ตีเลย ก็มีคิดได้สองวิธีปร่านั้นข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญสมควรแล้วข้าพระองค์บัตเนี้ข้าพระองค์มีกิจมากมีกรณียะมากมีเรื่องต่างทำมากกลับบ้านก่อนอนะประมาณนั้นแปลว่าสําเร็จงานแล้วนะลากลับบ้านน่ะนะอันนี้ฐานนี้มายังพันเตอปุชามะมายังพ ร, ระหุกกรณียาในตอนนี้ที่คําเขาลากลับบ้านกันน่ะนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ายะสถานิตุมเหฮหิกําลังบรญยัทะท่นพิจารณาเห็นการอันสมควรเถอะ แปลาภาษาไทยก็กลับไปเถอะครั้งนั้นวัศการพรามมหาอมาตแควานมคตชื่นชมอนุโมทนาพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากอาสน์กลับไปเกี่ยวกับวัศการพรามเนี่ยนะพอกลับไปถึงก็ไปรายงานใครไปรายงานเจ้านายคือพระเจ้าอาชาตสัตรู